บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของนิวรณ์ทั้งห้าประการซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครุ่มรุ่ใจของบุคคลและขัดขวางในการเพิ่มภูมิความดีตลอดตึงการแสดงความดีออกของบุคคลทั้งหลาย เป็นปัญหาที่มีอยู่ภายในใจซุนกเราเดยสรุปเวลาเกาะกลุ่มกันก็เป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงเพียงแต่ไม่รุนแรงจนถึงไปทำทุจริตทางกายและทางวัจารเกิดขึ้นกรุ่มใจทำจิตใจให้แปรผันไปตามอนาจของนิวรณ์เหลนั้น มมนจะมีอยู่เพียงห้าประการแต่เป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของบุคคลซึ่งนักสั่งชดังหลายจะสังเกตได้ว่านิวร์ในแต่ละข้อนนั้นการละได้เด็ดขาดต้องเป็นระดับไระยาะบุคคลทั้งนั้นถ้ายังเป็นสามัญชนอยู่ก็ทาได้แค่ลดละบันเท่าหรือส ง, งบอำนาจของนิวร์ลงไปในระดับใดระดับหนึ่ง การนุ่งสงบระดับสมาธิเป็นการสงบในลักษณะศิลาทับยาอันที่จริงยาก็มีอยู่ใต้แผ่นศิลาเพียงแต่ว่าในขณะนั้นศิลาทับเอาไว้ก็แสดงอาการอะไรออกมาไม่ได้การสงบระงับนิวรระดับสมาธิก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าตัดขาดไปเลย อินนวาสาใดที่จิตใจยังมีสมาธิอยู่จักนั้นนิวอนก็เกิดขึ้นรุกลุ่มรุมใจไม่ได้เะนั้นแต่การปฏิบัติก็ต้องผ่านขั้นตอนอย่างนั้นในชั้นศีลก็มุ่งข จ, งจัดกิเลสประเภทโล ก, กุตรงนั่นเองเพียงแต่ว่ากิเลสระดับนี้รุนแรงไม่ได้อยู่เฉพาะภายในจิตหรือว่าไม่ได้อยู่เฉพาะความคิด แต่มาเป็นพฤติกรรมเปการกระทำรรที่มีลักษณะเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนและเบียดเบียนหมกลุลให้เดือดร้อนเป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมบางการสงบระดับนี้จึงใช้มาตรการในการลงโทษในการยกย่องแต่บางครั้งระดับศีลเองก็คุมไม่ได้ต้องใช้ระดับกฎหมายที่ลดรันกันลงไปแต่ระดับสมาธิก็เป็นปัญหาทางใจทั้งกล่าว ความแต่ละข้อก็คือมูลเหตุที่จะให้เกิดความรุนแรงออกปากข้างนอกนั่นเองแต่ถ้าเราสงบไปได้ภายในเราคุมได้ทั้งกายทั้งวจจาจาทั้งใจไม่มีการกระทำการพูดหรือแม้แต่ความคิดตกไปในทางที่เป็นทุจริตวิจิกิจฉานิวรณ์ซึ่งเป็นกิเลสประเภทโภคะ และเป็นประการสำคัญที่จะกัดขวางบุคคลไม่ให้สัมผัสมรรคผลในทางพระพุทธศาสนาคือแม้แต่การจะทำจิตใจให้มั่นคงอยู่ในคุณของพระรัติใจตลราถึงมั่นคงในศีลในทานในการอำเป็นความดีทั้งหลายพูดง่ายว่าในเรื่องของการละความชั่วประพฤติความดีแต่จิตใจ ย, ยังมีความเครือแรงสงสัยอยู่มันก็มีการแกว่งอยู่ตลอด ต่ให้พฤติกรรมของบุคคลไม่สม่ำเสมอที่ทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างตามความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆบางอย่างก็ทำไปด้วยความเครุยแกร่งสงสัยไม่แน่ใจแต่ตาบใดยังไม่แน่ใจอาการหนึ่งก็คือชะงักอยู่กับที่อาการหนึ่งก็คือเมื่อบั้งดำเนินอยู่ใดทางกุศลก็ไปทางกุศลอยู่ได้เรื่อย เราไม่มั่นใจว่าอากุกสนนั้นจะให้ผลเป็นทุกข์จริงหรือไม่ไประสบความเดือดร้อนในอกาศต่อไปเป็นความตกต่ำเป็นความเสื่อมทรามในอกาสต่อไปหรือไม่ดิจ่าก็ยังคงตัวครอบงำด้วยความเครียดแรงของใสยอยู่วิธีแก้มันเนื่องจากกิเลสประเภทนี้เป็นพวกโมฆะในลักษณะคล้ายๆคว า, า, า, ามมืดหรือสิ่งสกปรก การจะแก้ก็ต้องแก้ด้วยแสงสว่างหรือสิ่งที่สะอาดขั้นสาธทุนทั้งหลายจะพบว่าเวลาพระเจ้าสรงอุ ป, ปมานั้นจะหนักไปในทางสขปรกและหนักไปในทางมืดจะทรงอุ ป, ปมาเหมือนน้ําที่เป็นโคลนตุ่มแสดงว่าก็สขปรกอุ ป, ปมาเป็นทางธุกร ก, กันดารแสดงว่าลําบากขรุขระมีอันตรายมาก สุปมาว่าเหมือนทางที่มีเสือร้ายรออยู่ข้างหน้าหมายความว่าตราใดที่จิตใจยังมีความเคร่งแกรียสงสัยอยู่โอกาสที่จะเป็นอันตรายนั้นง่ายและบางครั้งก็อุปมาเป็นเรื่องของความมืดที่ปิดบังปัญญาจากสุดวงตาคือปัญญาของบุคคลไว้ฟังการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยขจัดความเครือข่างสงสัยแต่ไปเริ่มต้นที่การศึกษาสัตสอบฟังชี่มุ่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจจนอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นผู้สูดหรือผู้สัจจะบุคคลภู้สัจจะนั้นที่จริงเป็นการศึกษาในเรื่องเดียวแต่ว่ามีการเจาะลึกในเนื้อหาวิชาเหล่านั้น จนเกิดความความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสายต่างๆกงารศึกษาของคนเราจึงมีอยู่สีแนวแนวหนึ่งเรียกว่ามีการศึกษาน้อยคือความรู้แคบแล้วก็ตื้นอาจจะเข้าใจอะไรในน้นิดหน่อยแต่ว่าในในมุมที่ลึกซึ้งลงไปก็ไม่เข้าใจไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากความรู้เหล่านั้นได้ ประการที่สองเป็นแนวแคบแต่ลึกคือจะมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องนั้นม่เรื่องอื่นจะไม่มีความรอบรู้จะไม่แตกฉานแต่สามารถใช้งานจากสายความรู้ที่เราแตกฉานลึกซึ้งได้ที่ส่งอุปมาเหมือนกับแม่น้ำที่แคบแต่ลึกสามารถที่จะขังน้ำไว้ได้ทุกระดูกรวิชาประโยชน์ในทางอุปโภคบริโภคได้ แม้ปริมาณจะไม่มากกต็ตามยึดหน้า น, นึ่งเป็นการศึกษาแนวกว้างแต่ตื้นรู้อะไรไปทุกเรื่องแต่เอาดีไม่ได้สักเรื่องเดียลักษณะความรู้ของเป็ดหรือที่ทตานูุว่าความรู้โงโหดตัวไม่รอดยึดน้นหนึ่งเป็นรู้ทั้งกว้างทั้งลึกซึ่งเปิดป้าประสงค์ในการศึกษาแต่ตามปกติแล้วความรู้ระดับนี้ก็ต้องผ่านการเวลาพอสมควร ต้งเกี่ยวข้องกับวัยของบุคคลเกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูในประสบการณ์ในแต่ละเรื่องด้วยวการศึกษา2ประเภทคือประเภทที่2ที่แคบแต่ลึกและประเภทที่4คือกว้างและแตลึกนั่นเป็นการศึกษาที่เอาตัวรอดได้สามารถเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและในการพัฒนาชีวิตตนเองได้ กรอบหรือเป้าประสงค์ของการศึกษาจริงๆนั้นต้องสังเกตว่าจะไปสอบครองกับพระพุทธคุณบทว่าวิชาจะน่าสำปนโรคือสมบูรณ์ในวิชาและจรณะพุดเป็นไทยวความรู้ดีความประพฤติพีคมดีคนนั้นจะ ต, ต้องดีทั้งสองอย่างคือความรู้ต้องดีด้วยและความรฤฤฤฤฤประพฤติดีด้วยเหตุการณ์จำเป็นที่จะต้องเลือก วันนี้ทั้งหลายอาจจะเลือกเอาอกความประพฤติดีแม้ความรู้จะไม่ดีก็ตามรเรื่องการศึกษาและการปฏิบัตินันจึงมองไปทางความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะความรู้ในสาขาวิชาการเหล่านั้นเพียงอย่างเดียววิชาเหล่านั้นที่จริงก็เป็นศาสตร์ พระศาสตร์นั้นต้องอาศัยศิลปะในการใช้ใช้เป็นก็ได้ใช้ไม่เป็นก็ได้ใช้เป็นคุณก็ได้ใช้เป็นโทษก็ได้แต่หากว่าฐานจิตไม่มีคุณธรรมเพราะเราจะพบว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์ก็เคยใช้ไปทั้งสองทางทางทำลายล่างคานก็มีทางสร้างสารรค์พัฒนาก็มีตัวกาหนดให้การใช้แตกต่างกันนั้นอยู่ที่คุณธรรม จิตสำนึกที่กรอบเลยธรรมะของบุคคลเหล่านั้นมีความรับผิดชอบต่อตนเองรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเป็นต้นระดนนของโพสจัตท่านจึงใช้ทัานเรียงออกเป็นท่าระดับด้วยกันทนึนมีการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากได้พบได้เห็นมากเรียกว่ามีประสบการณ์มากเรีนด้วตาได้ยินด้วยหูสูดลมด้วยจมูกเรียนด้วยลิ้นได้ถูกต้องด้วยกาย ถึงแสดงว่าโลกเราเป็นโลกของสัมผัสการเรียนรู้ทั้งดีทั้งไม่ดีและทั้งกลางๆมันก็ผ่านประจักสัมผัสทั้งนั้ น, พนเพราะจะเห็นว่าในแนวหลดนี้มันก็คือการศึกษาในกลุ่มของธรรมะคือสิ่งดีสิ่งไม่ดีและสิ่งที่เป็นกลางๆหรือท่ตัเรียนเรียงเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัะปยาการตธรรมประการที่2นั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาจะต้องมีการทรงจําไว้ ทีต้องใช้ครวาธฒนาคือทรงจําเรื่องราวต่างๆเราดันไว้สิ่งอะไรก็ตามที่ผ่านมาแล้วถ้าไม่จําไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่คุณา ก, การเรียนรู้ในครั้งหนึ่งถ้าเก็บจําเอาไว้ก็สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตแต่เาลงทุนไม่มากแต่ว่าได้ประโยชน์จากเรื่องเราดันมากกฎเกณฑ์สลักสําคัญบางอย่างเป็นแบบแผนเป็นมาตรฐานเป็นสูตรว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกที คล้ายๆกับสูตรทางเคมีเป็นต้นถึงก็สูตรมันต้องออกมาเป็นอย่างนั้นและในส่วนใดของโลกมันก็ไปสอบไปเทียบไปตอบคําถามกันได้ทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องสูตรทังนั้นเรืงนี้จําเป็นจะต้องจําแต่จําสูตรไม่ได้มันก็ทําไม่ได้ตวามประสบการณ์ต่งางๆที่ผ่านมาตามประสาตสัมผัสที่จําไว้ส่วนหนึ่งตรงท่องใดคือตรงแม่น ประการที่สซึ่งถือประการที่สี่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญก็คือต้องนําเรื่องเหล่านั้นมาคิดทรงใช้คําว่าเพ่งพินิษ์พิจนานรณาวิจัยเอาขอสิ่งเหล่านั้นแหละสิ่งที่มีประสบการณ์มาสิ่งที่จาไว้สิ่งที่ท่องได้ไม่ได้หมายความอายุติเพียงเท่านั้นที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็คือปริยัติก็คือประสบการณ์คือพวกวรูปดิบทั้งหลาย ไม่าจะเร็จรูปอยงแล้วเพียงแต่ถือว่าเป็นข้อมูลระดับหนึ่งที่จะใช้นำมาไขครัรววิจารณาสอดส่องเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่ดีงามเพราะตาหนัปตำมาวิชาการทั้งหลายที่จริงก็เป็นเรื่องของปัจเจกชนส่วนใหญ่คือบุคคลเป็นคนเขียนขึ้นเป็นคนเรียบเรียงขึ้นตามความรู้ความเข้าใจของท่านท่านก็ไม่ได้เป็นสพันดูที่จะรู้ไปใชทุกสิ่งทุกอย่าง วามควา้งใจจุดนั้นอาจจะผิดก็ได้หรืออาจจะใช้ได้ในฐานะหนึ่งใช้ไม่ได้ในฐานะหนึ่งก็ได้เพราะถ้าก็นามาคิดพิพนิจพิจารณาด้วยใจว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรมีคุณมีโทษอย่างไรเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นโดยวิธีใดถึงวันนี้นก็เป็นการท้า ท, า, ทายภูมิธรรมสติปัญญาในหลายๆด้าน ขณนี้ถ้ามองจากการศึกษาธรรมะแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาถ้าคนรู้จักคิดแล้วก็จะมองเห็นอีกด้านหนึ่งโดยไม่จะเป็นจะต้องพูดถึงด้านเหล่านั้นก็ได้อย่างเช่นนิวรณ์ทั้งห้าประการที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ขั้นจิตขนไว้แม่บรรลุความดีเป็นสนิมใจ หรืเป็นโรคทางใจเป็นอุปสรรคของใจครับขวางจิตใจเอาไว้ไม่ให้มีการปัฒนาข้าหน้าแเรามองเห็นเราก็มองเห็นว่ามันเป็นโทษมาเป็นโทษก็แสดงว่าเป็นอกุศลแต่ถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านี้จะประสบความขุ่นมม่เศร้าหมองความเสื่อมความทุกข์และการอันตรายต่างๆอีกเป็นนันมากคือมันมองมาจากความเป็นอกุศลของสิ่งเหล่านั้น จ, จะแสดงว่าอะไรแสดงว่าอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นทางที่เป็นกุศลหมายความว่าจิตใจที่สงบความกนัดรับใครพอใจไปได้สงบพยาบาทได้สงบความง่วงเหงานอนได้สงบความพุ่งสร้างําคาญได้สงบวิจิกริชาได้เพราะก็กลายเป็นกุศลเดี๋ยวไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านที่ไหนที่จริงก็อยู่ตรงกันข้ามไปแล้ว เพราะการศึกษาของคนที่ใช้ปัญญาตน้นจะมองสิ่งทั้งหลายทุกแง่ทุกมุมเพราะสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องไม่ได้อยู่เฉพาะมุมนั้นแต่มันมีมุมของเขาอาจจะสี่เหลี่ยมอาจจะแปดเหลี่ยมอาจจะสิบสองเหลี่ยมกว่ากันไปแต่น้อยที่สุดมันก็มีจะกกด้านหรือสี่ด้านหรือ6กด้านต้งมงให้เห็นรอบด้านเพราะะนั้นท่านใช้อีกคำหนึ่งที่นามาใช้เรียกคนที่ศึกษาจบ ระดับบัณฑิตคือปัญญาตรีขึ้นไปที่เรียกว่าปริญญาคำว่าปริญญาที่จริงเป็นภาษาบาลีปริปรวรรอบปริญญาก็คือรู้รอบด้านเขามีด้านเดียกี่ด้านก็ต้องรู้ทุกด้านกับสิ่งต่าน้นแต่จริงๆแล้วเราอาจจะเรียนมาด้านเดียวเพราะเีหยหลายด้านมันก็ต้องใช้คิดเอา โดยอาศัยจุดใดจุดหนึ่งแล้วเราจะขยายความเข้าใจเหล่านั้นออกไปจากประสบการณ์ที่เราเก็บสะสมไว้ในอดีตตัวอย่างเช่นได้ยินข่าวได้วังข่าวว่าเกิดวาตาภัยรุนแรงขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกคนไม่จําเป็นจะต้องอธิบายรายละเอียดในคําว่าวาตาภัยรุนแรงแต่เราสามารถใช้ประสบการณ์ในอดีต ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัตภัยในที่ใดก็ได้แล้วก็นำมาอธิบายวาตภัยที่รุนแรงในจุดนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปดูเมื่อไปดูมันจะเจอสภาพยอย่างเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าวาภัยที่รุนแรงเกิดแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกทีสิ่งมีการหักพังมีการทําลายมีการล้มตายมีการพักผ่ามีการสูญเสีย มีความเปลี่ยนแปลงในด้านธรรมชาติแต่ก็สุดแล้วเราจะอธิบายขยายความออกไปได้โดยใช้คำเป็นคำเดียวซึ่งหมายความการคิดจากคำเป็นคำเดียวนั้นก็อาศัยประสบการณ์ที่เราเก็บสะสมไว้ภายในใจภาพแว้งก็ออกขึ้นมาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปดู นี่คือแนวมนานะสารุเปกีตาคือเพ่งพิจิตริจารโดยใจจนเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าทิตยาสุปฏิปทาคือคกบเจาะในทิฏฐิความคิดความเห็นของตนเรื่องอะไรก็ตามสังเกตว่าระหว่างความรู้กับความเข้าใจเรารู้บางทีก็รู้แค่จำแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วจะสิ่งเหล่านั้นจะพลิกแปลงแปลผันไปยังไงก็ได้เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร เพราะจะเป็นการมองโดยเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะมองโดยรูปแบบและโดยประยันชนะสิ่งนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถานะสภาพของสิ่งเหล่านั้นไปยังไงก็ได้แต่พอเราเข้าใจเนื้อหาของเขาเราสามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ตอนนองนใกล้ๆเราเข้าใจสภาพจิตส่าจิตใจของบุคคล ฉันราเห็ว่าคนต้นโือคนฆ่ากันเขาสามารถอธิบายสภาพจิตได้เพราะที่ต้นนั้นก็แสดงว่าโลภจัดที่ฆ่ากานก็อาจจะโลภจัดก็ได้อาจจะโกรธจัดก็ได้โดยไม่จาเป็นจะต้อง ด, ดูที่จิตใจของเขาแต่มันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาไอการต้นก็ดีการฆ่าก็ดีมันเป็นผล ที่เกิดขึ้นมาจากความคิดซึ่งประกอบด้วยกิเลสถ้าไม่มีกิเลสฆ่าไม่ได้ร่นไม่ได้เชเรามีเมตตาต่อคนใดคนหนึ่งอยู่เราจะไปฆ่าเขาก็ไม่ได้จะด่าว่าที่เจ็บใจหน่อยเดียวยังไม่ได้เลยเพราสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่เราเข้าใจการอธิบายพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอาศัยประสบการณ์ต่างๆที่เก็บสะสมไว้แล้วก็ อยู่ภายในใจของเราที่เรียกว่าเข้าใจคือเข้าไปอยู่ภายในใจทึงอะไรก็ตามถ้าเกิดความเข้าใจได้แล้วเนี่ยสามารถจะยุติปัญหาความขัดแย้งในเรื่องต่างๆได้เสมอไปเพราะความขัดแย้งเนี่ยอยู่ที่การไม่เข้าใจหรือมองกันคนละมุมหรือจับ ก, กันคนละด้านและใครก็ไม่รู้จริง เพราะถ้ารู้จริงจะไม่มีการขัดแย้งกันจะไม่มีการตกเถียงกันอย่างนี้ท่านบอกว่าพวกที่ติสัมพันธ์บุคคลหรือตั้งแต่ปะโซระบันขึ้นไปนั้นจะไม่มีความสงสัยเพระาะฉั้นท่านเหล่านี้จะไม่เถียงใครคนใดคนหนึ่พูดมันก็พูดเป็นสัจะธรรมและคนที่ฟังอยู่พูดมันก็พูดในทธรรมนั้น ท่านมองคล้ายๆกับพูดเร่งไฟร้อนน้ำเย็นเนี่ยที่คือยกตัวอย่างอยู่เสมอมันเป็นสภาวะของมันใครจะพูดก็ต้องพูดอย่างนันนั่นก็คือสิ่งที่เราเข้าถึงเนื้อหาสาระแก่นแท้ของทิงนั้นๆแต่ร้หมาสามัญชนธรรมดาแล้วจะต้องมีการตกเชียงกันแต่ลองสังเกตว่าถ้าเรารู้ร่วมกัน ถ้าจะไม่ตกเถียงกันที่เราไปในที่ใดที่หนึ่งเรารู้ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารู้แยกตรงไหนจะไปตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการเถียงกันแต่ตอนเถียงกันนั้นก็คือคนหนึ่งว่าไปอีกด้านหนึ่งคนหนึ่งว่าไปอีกด้านหนึ่งแล้วความรู้ทั้งสองคนที่จริงไม่ไม่ถูกต้องด้วยกันในสุดก็คือการเถียงกันหรือคนหนึ่งอาจจะรู้จริงคนหนึ่งอาจจะรู้ไม่จริงแล้ว เ, เกิดเถียงกันเพราะลักษณะเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดมาจากวิจิกิจชา พิจิกิสารือความเพ่อแฝงสงสัยมาจากอะไรก็คมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดความรู้เกิดความเขา้เขาใจแล้วก็จัดความรู้สึกตัวนี้ออกไปได้แต่เป็น ก, นการกรจัดได้ในส่วนของปริญญาตรุย์โดยในภาคปฏิบัติจะต้องมีความลึกซึ้งที่ประณีตขึ้นไปกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าการเขียนหนังสือนั้นถ้าหากว่าจะให้รายละเอียดแนวปฏิบัติจริงๆ มันจะต้องใช้การเขียนแย่เพราะน้าจะบอกเทียนระดับหนึ่งเท่านั้นเองคือจะให้รายละเอียดที่ยิบเป็นประสบการณ์ตรงทางจิตที่ผ่านไปแต่ละขณะเนี่ยเขาจะไม่พูดกันอย่างนั้นพอาจะพูดอย่างนั้นคุณสังเกตว่าแนวคำสอนแนว น, นี้ก็มีชนแนวอภิธรรมในอภิธรรมนั้นคำสอนจะยาวมากแต่จริงเป็นขณะจิตเท่านั้นนั้นคืออธิบายในแนวที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติโดยตรง าการที่สองนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะสอบถามใตส่สวนทวนความคิดของเราว่าถูกต้องหรือไม่ในการถามนั้นจะถามหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือเราไม่รู้เลยเราถามเพื่อต้องการรู้เพื่องนะนการอธิบายของท่านเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลอย่าถือว่าข้อยุติ ภาษาในที่ท่านพูดนั้นยังไม่เป็นสัพพัญธอยู่ยังไม่เห็นพระอาหารหันเราก็เชื่ออะไรท่านไม่ได้เท่าไร่แต่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่ฟังไว้บางอย่างนั้นเป็นการซักถามเพื่อต้องการจะเทียบเคียงกันดูว่าสิ่งที่เราเข้าใจกับความจริงที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรเป็นหมายความเรื่องเหล่านั้นเราเข้าใจอยู่แล้วระดับหนึ่งหรืออาจจะรับฟังมาจากคนใดคนหนึ่ง แต่เราก็ไม่ค่อยมั่นใจในคําพูดของท่านเหล่านั้นเพราะงั้นจะมาถามอีกคนหนึ่งไปเทียบเคียงกันดูว่าสอนท่านนี้มีความเห็นเป็นยังไงบ้างเคยสมรู้เปล่าในจุดนี้แล้วอาจจะถามคนที่สองที่สามที่สี่ไปเรื่อยโดยต้องการยุทเทียบเคียงซึ่งก็หมายความว่ายังไม่ได้คอยุติอีกประการหนึ่งคือถามเพื่อสอบทานกับความรู้ความเข้าใจของเรา ทุกคนเราก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอยู่ระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่มั่นใจทีเดียวว่าที่เรารู้นั่ถูกต้องหรือไม่เราก็สอบถามชี้เคียงกันดูสอบถามดูว่าถูกต้องตามที่เราเข้าใจหรือไม่ซึ่งคนตอบนั้นจะตอบไม่มากคือตอบไปใช่หรือไม่ใช่ก็พอแล้วแต่บางอย่างก็อาจจะสอบถามเพื่อ ทดลองภูิปัญญาของผู้ที่เราถามไปตนซึ่งนแนวนี้เราแสดงว่าก็ไม่หวังดีกับผู้ที่เราถามเพราะการถามที่แสดงให้ความอดน้อมการยอมรับมันก็ถามสามแนวดังกล่าวแล้วประการต่อไปก็คือคบหาสมาคมกับท่านผู้ฉลาดที่เรียกว่าเป็นบินดูชนหรือเป็นบัณฑิตทั้งหลายนี้ก็เป็นปกติธรรมดา หรือความเจริญเติบโตของคนในแต่ละเรื่องคนที่เกิดอยู่ก่อนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในการอุ้มชูสนับสนุนส่งเสริมเพราะคนรุ่หลังมันก็ต้องเกาะอิงคนรุ่นก่อนแต่คนรุ่นก่อนมันก็มีอยู่สองประเภทคือมีทั้งคนพานและบัณฑิตในที่นี้ท่านมองไปที่ผู้เจริญท่านใช้คำรวมๆมาผู้เจริญ ที่จเจริญด้วยอะไรโดยคุณสมบัติด้วยคุณธรรมความดีโดยอายุอายุนั้นเราก็อาศัยประสบการณ์ของท่านคุณธรรมความดีนั้นอาศัยธรรมะของท่านและท่านผู้ที่จเจริญโดยชาติก็คงอาศัยประสบการณ์อาศัยคุณสมบัติบางอย่างของท่านเช่นเดียวกันแต่ที่าดอย่างนี้คือการคบหากับ คนประเภทที่เรียกว่าสัตว์ปุรุษหรือบัณฑิตคนนี้ทั้งสายชนทั้งหลายจะสังเกตว่าความจเจริญในชีวิตของบุคคลในแต่เรื่องที่ทรงแสดงไว้ในที่ใดก็ตามยดบุมงคลทสูตรมันก็เริ่มที่ไม่ก็ผ่านก็บัณฑิ ต, นนนตในพวกจักสีซึ่งมีลมักษณะเมนยานภานะที่จะนำพาคนไปสู่ความสวัสดีก็เริ่มที่การเขา้ามาสมกกษัตริย์ุรุ เพราะไรเพราะท่านเหล่านั้นมีเมตตาจิตมีความบริบูรณ์เพราโดยพื้นฐานในขณะเดียวกันท่านก็มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นถึงแต่ระงองอีกในย่าหนึ่งยอดแห่งสัตว์บรุษก็คือพระพุทธเจา้าเพราะฉนั้นสัตว์บรุษนี้จะอยู่ในโครงสร้างของพุทธคุณคือเรต้องมีปัญญาความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆ มีความรักความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นมีความสุดใจในส่วนตัวท่านก็ให้เกิดความรักความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นเพราะงั้นสัตว์บุตรนั้นจึงไม่ได้ทําเพื่อได้แต่จะเป็นการทําเพื่อให้เป็นผู้มีจิตเคร่งเครัดเป็นผู้มุ่งอภิบาลคุ้มครองรักษาทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นนั่นคือลักษณะของบัณฑิตหรือสัตว์บุตรบัณฑิตนั้นเรียกเป็นที่ว่ามหาบุรุษ พื้นฐานจิตของคนประเภทนี้สามัญชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจไม่ได้ท่านบอกบอบอกว่ามีอัธยาศัยกว้างขวางีอัธยาศัยใหญ่เพรา ะ, ะนั้นคนเหล่านี้จึงพร้อมที่จะทุ่มเทเวลาชีวิตของตนเองลงไปเพื่ออภิบาลชื่อหือเกื้อกูลแก่สังคมสิ่งท่่านน่าจากสังคมนั้นมีเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่ท่านให้แก่สังคมนั้นมากมาย นั้นคือแนวสัตว์ประหแนวบัณฑิตหรือแนวนักปราทางไหแต่ถ้าเรามองโดยลึกซึ้งลงไปเนี่ยโตยเฉพาะวุฒิของสัตว์ปรุคือสุดยอดของสัตว์ปรุดนั้นจะจนจะจนในด้านทรัพย์สินเงินทองต่างๆแม้แต่พระพุทธเจ้าจเราเองก็จนแต่ว่าจะสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์ วันแนชีวิตของท่านจึงอยู่ในรูปของการอภิบาลคุ้มครองคือกูลรักษาที่ท่านเรียกว่าปุชนาอิจายะปุชนสุขายะโลกาณกรรมประยะคือการทสิ่งที่เป็นประโยชน์คกื้อกูลแก่มาชนเพื่อความสุขแก่ม า, าชนโดยพื้นจิตของท่านเนี่ยมีความกรุณาต่อโลกจึงเกิดอนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกหรือต่อสสารโลก ทงการควบหานสมาคมกับบุคคลประเภทนี้จึงวางใจได้ว่าเรามีแต่ได้ก็ได้ไม่มีความเสียหายไม่มีภัยอันตรายในสำนักของบัณฑิตจริงๆแต่กรณีสถานะของความเป็นบัณฑิตนั้นเป็นสถานะที่เคยๆก็ต้องการแต่มันทำยากเพราะนจึงมีลักษณะราการหนึ่งซึ่งเป็นอาการของอุปกิเลส ได้ แ, แก่พวกมายาคือเสียสังหรือเจ้าเล่ยสาธยะโออวดสารำพระแข็งดีเป็นการแสดงในรู ป, ปรคล้ายกับแฟชั่นโชว์จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นวิถีชีวิตการแสดงแฟชั่นโชว์นั้นไม่ใช่ชีวิตจริงเป็นชีวิตสดุดแดนและที่จริงของเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของคนที่แสดงด้วย ก็คล้ายๆกับคุณธรรมทั้งหลายที่ปรากฏออกมานั้นพระยาคุณธรรมของคนนั้นแต่เมื่อเกิดอาการไปคล้ายกัทนนั่นเองและโดยเฉพาะพวกมายาพวกเก้วเล่ทั้งหลายเนี่ยเป็นการขืนขืนเป็นการเสแสร้สงเป็นการแสดงชั่วขณะเพรา ะ, ะนั่นจึงจะผิดลักษณะปกติแต่ถ้ า, าผู้มีศีลมีธรรมเนท่านจะเป็นปกติ และปกติมัน ก, ก็เกี่ยวข้องกับวาสนาบา ร, รมีของท่านเรื่องุคลิกภาพส่วนตัวท่านโดยทั้งไปเพราะยังพบประวัติของพระหันบางรูปทั้งก็ไม่เรียบร้อยจะนั่งจะเดินอะไรก็กระโดกกระเดกมันเป็นปุคลิกส่วนตัวท่านถึงถ้าเรามองจากภาพเหล่านั้นก็สู้คนที่จะเล่เมายาโอ้อวดเสียแซงไม่ได้และมันกล า, ายเป็นการท้าทายสติปัญญาของบุคคล ในการจะวินิสัยคนอีกทีหนึง่งต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป